เราอยากเข้าใจว่าเทวบุตรเทวดาไม่มีไม่มีสําหรับ <c oughs> พวกตาบอดอย่างเราท่านผู้ตาดีรับแขกเทวบุตรเทวดามากมายก่ายกองนั้นดังมีอยู่มากในพุทธศาสนาของเราแต่พ่ออย่างยิ่งก็คือพระปฏิบัติ <c oughs> ท่านไม่จะเกี่ยวข้องกับประชาชนแต่ท่านเกี่ยวข้องกับเทวบุตรเทวดาอินพร์มีอยู่เยอะมีตลอดมาทุกวันนี้ แต่เวลามาพูดกับมนุษย์ท่านจะ เ, เรื่องเทวดามาพูดได้อย่างไรตั้งแต่ภาษาของมนุษย์พูดกันอยู่มันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวมันยังดื้อดันไปไม่ฟังเสียงอัดเสียงทำจะเอาเทวตาเทวดามาพูดเดี๋ยวจะเกิดเรื่องขึ้นมาด้วยการต่อสู้ระหว่างพวกกิเลสมารกับธรรมมันไม่ยอมเชื่อือ ด, ดีดูถูกอย่าย้ำพูดที่สั่นแสดงให้ฟังด้วยซ้ำไป